อุ um, ่มชตากรรม บางทีช่วงเวลาที่สเทือนอารมณ์ที่สุดในพิธีฝังศพคือขณะที่หีบกำลังถูกหย่อนลงสู่หลุมหรือขณะที่ปุ่มถูกกดเพื่อจะเลื่อนหีบศพเข้าสู่เตาเผาในพิธีชาปนกิจตามพิธีแบบฝรั่งเสมือนว่าเครื่องระลึกความทรงจำสุดท้ายที่เป็นรูปธรรมของคนที่เรารักในที่สุด ได้ถูกพรากไปจากเราตลอดการมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไป เมนบางแห่งในเมืองเพิอชั่วขณะนั้นมักจะวุ่นวายเป็นพิเศษเมื่อปุ่มถูกกดหีบศพจะเลื่อนลงไปสู่โถงด้านล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของเตาเผาจุดประสงค์คือเพื่อจะให้คลา้คลายการฝังอย่างไรก็ตาม ภาพที่ผู้ตายถูกยอ่อนลงไปเผาเบื้องล่างกลับเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในจิตใต้สำ น, นึกเสมือนกับกำลังถูกส่งลงสู่นรกการสูญเสียผู้เป็นที่รักก็แย่สิละเกินแล้วเมื่อสมทบกับสั ญ, ญลักษณ์ของการเคลื่อนลงสู่โลกเบื้องล่างหรือนรกบ่อยครั้ง ที่ผู้สูญเสียไม่สามารถจะรับได้ดังนั้นอาตามาจึงเคยเสนอเล่นๆว่าควรจะสร้างเมนเผาศพชนิดที่เมื่อพระกดปุ่มเพื่อจะดำเนินการกับร่างไร้ชีวิตนั้นหีบศพจะเคลื่อนสู่เบื้องบนอย่างสง่างาม ซึ่งลิฟท์ไฮดรอลิกธรรมดารรมดาสักตัวก็น่าจะสามารถจัดการได้โดยไม่ยากเมื่อหีบศพเคลื่อนขึ้นไปใกล้เพดานเราก็จัดการให้มันหายเข้าไปในปุ๋ยเมฆอันเกิดจากไอน้ำแข็งแห้งผ่านช่องบนเพดานไปสู่ช่องหลังคาเบื้องบน ท่ากลางเสียงเพลงสวรรค์ห ว, หวานมันจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังเศร้าโศกกับการสูญเสียอย่างไรก็ตามบางคนที่ได้ฟังข้อเสนอของอาตมาแนะนำว่าวิธีการนี้อาจทำให้พิธีกรรมสูญเสียความเที่ยงตรงไป โดยเฉพาะในกรณีที่ทุกคนต่างรู้กันดีว่าคนไร้ศีลธรรมที่นอนอยู่ในหีบนั้นยากที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นดังนั้น อาจมาจึงปรับปรุงข้อเสนอเสียใหม่โดยแนะนำให้มีปุ่มกดสามปุ่มให้ครอบคลุมได้ทุกกรณีปุ่มกดขึ้นเฉพาะสำหรับคนดีปุ่มกดลงไว้จัดการกับคนเลวและปุ่มไปด้านข้างสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งความดีความชั่ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยของสังคมตะวันตกและเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่พิธีกรรมที่ซึมเศร้าอาตมาอาจจะขอให้ผู้มาร่วมพิธีศพยกมือโหวตว่าควรจะกดปุ่มไหนนี่น่าจะเป็นพิธีชาปนกิจที่น่าจดจำเป็นที่สุด และเป็นเหตุผลที่ดีมากที่คนจะมาร่วมพิธี